ก่อนบน้อต่อประไตรใดมีพระพุทธระธรรมระสงฆ์ซึ่งเป็นสารณะเป็นที่พึ่งสำหรับชีวิตพวกเรามนุษย์ทุกๆชีวิตก็กล่าวขอการแล้วจเจริญพรจเจริญธรรมอยังมิเชีบารส ก, กัจกาในเรทมลูกเตนวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม สักราสองพันห้าร้อยห้าิบหกก็ถือว่าตามสมมุติบัญญัติสมมติให้เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่เพ่ได้เป็นข้อกำหนดข้อตกลงร่วมกันอะไรผ่านไปแล้วอะไรจะต้องเริ่มต้นกันใหม่ ชิตของเรามีกายมีใจร่างกายก็แก่เจ็บแล้วไหลสู่ความตายมันเวลาผ่านไปเกนกินสรรพสัตว์และสรรพสิ่งพร้อมทั้งตัวมันเองเอาคืนมาไม่ได้เปรียบเหมือนฟองสบู่ปรอยแล้วล่อง ก็ตแตกโปะเหมือนกับน้ำค้างบนยอดยาน้ำค้างพอต้องแสงพริที่ก็เกิดแห้งละลายหายไปเหมือนกับโคที่เพชคาสู่จูงสู่หลักราหารทุกๆเวลาทุกๆ ก, ก้าวของวินาทีก็ใกล้ความตายไปทุกๆขณะที่เราจึงประมาทไม่ได้ ใาใจของเราคือตัวชีวิตจะต้องใช้ชีวิตใจใกายใช้ใจใจวาจาด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวคิดดเมตตาพูดดิเมตตาทำด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อกันต้องต่อหน้าและรับหลังในที่รับและที่แจ้ง จิตใจของเรามันฝึกได้วิธีฝึกจิตใจของเราเนี่ยมีอยู่สองลักษณะหนึ่งสมถกรรมฐานมีอยู่สี่สิวิธีสองวิปัสสนากรรมฐานหนึ่งเดียวเลยก็คือเจริญสติปัฏฐานสีหนึ่งเดียว มีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวสติคือการเลือรู้สัมผัรู้ตัวตัวพร้อมรู้ว่านั่งรู้ว่ายืนเดินนอนกิริยาการต่างๆมีความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็ต้องฝึกต้องหัดอัดได้จิตใจของเราเหนือเกิดเหนือแก่เนือเจ็บเนือตายร่างกายของเรา ไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพระองคทรงค้นพบแล้วเปิดเผยมาเป็นเวลา 2,600 ปีศาสนา ก, ก็จะเป็นเรื่องที่เราน้อมกัามาใส่ตนและเพราะภาคปฏิบัติโดยเฉ พ, พาะภาคปฏิบัติเป็นพัฒนาการพัฒนาขภาวนา อันนี้เป็นคำเดียวกันภาวนาขยันรู้รู้มากๆ ม, มันรู้แลือรู้ถูกมันะก็เป็นตัวพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาจิตให้เดินทางพ้นทุก์กำหนดสติมันก็มีสตนะิจิตใจรู้สึกตั้งมั่นขึ้นมามักแน่นอบอุ่นนะเป็นสมาธิ รู้ถูกรู้ผิดนีอันนี้เป็นลนักษณะของปัญญาบางทีเราใช้ชีวิตกันมาก็ประมาทเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ไอ้สิ่งที่รู้มันนิดเดียวไอ้ที่ไม่รู้มันมีมากเหลือเกินก็เรียกว่าเราหลงเพล่อด้ทั้งวันหลงไปตามความคิดการปรุงการแต่งหลงไปตามอารมณ์หลงไปทาง ตาวูจมลิ้นกายใจวัตถุ ก, กรรมบุคลต่างๆแล้วเราก็ไม่รู้บัลเราหลงเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อันนี้ต่อให้มีบุคคลหนึ่งสองสาวัตถุหนึ่งสอสเราก็จะยังเหงายังว่าเวยังมีความต้องการต้องการการเติมเต็มโดยให้บุคคลอื่น1นึสวัตถุหนึ่งสอสเติมเรา แต่ท้ายสุดก็ยังไม่ใช่แล้วก็จึงนํามารวมตัวกันตรงไหนก่นว่ามีผู้รู้มีนักปราชญ์มีวินโยชนมีพระอริยะอยู่แล้วก็พาตัวเข้าใกล้แลียว่าพรารณไตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอุบาสกบาศิกาที่ดีเราเริ่มได้ยินได้ฟังผู้รู้ท่านที่นําท่านบอกท่านสอน ให้เห็นกระแสะกองมรรคผลนิพพานให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเราก็มีเกณฑ์ชีวิตแล้วเราก็เริ่มรู้ด้วยว่าเราไม่รู้เราเริ่มรู้ว่าเราไม่รู้ทําไม่ได้สักทีกรรมาฐานบางคนบางท่านบางคนบางท่านก็ทําแล้วบางทีก็เห็นมันรู้บางเห็นมันหลงบางครึ่งรู้ครึ่งหลง ก็กลายเป็นครึ่งผิดครึ่งถูกครึ่งผีครึ่งคนครึ่งพระรู้ก็ปกติไม่รู้ก็ผิดปกติรู้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาไม่รู้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาเราก็เริ่มรู้ว่าเราไม่รู้เราก็ต้องฝึกหัดให้มันรู้มากๆวินาทีหนึ่งก็รู้สึกตัวครั้งหนึ่งพียพมือตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัว คือหัดจิตตรงไปตรงมาทุกครั้งที่รู้มันก็เริ่มเห็นว่าความรู้มีความหมายมีคุณค่ามันก็เริ่มรู้ว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวเป็นอย่างไรเวลาเราหลงตัวเป็นอย่างไรเห็นกายต่างความเป็นจริงเห็นกายในกายไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขา อา น, นรู้มันรู้ถูกมารู้รู้สติสีนสมาธิปัญญาทํางานครบองค์สติปัฏฐานสี่ก็ ม, มีพลังเต็มรอบรอบรู้กายเวณาจิตธรรมรู้รู้กายเห็นกายตาความเป็นจริงไม่ใช่ัต์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายจริงๆอย่างไอเขาเ ข, าเขาแคร์ ค, คอย่างนี้ไง เป็นทุกข์เป็นโรคอันนี้ต้องหาหมอรักษามันจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะกลายเป็นเรื่องของความเรียบร้อยความเรียบร้อยอะไรคือเรียบคือร้อยหลายกนมาอยู่รวมกันก็ต้องเรียบร้อยเหมือนกันภาวิตในมีระเบียบวินัยของชุมชนต่างๆอันนี้เราก็รู้ มันมีสติมีสมาธิก็มีปัญญาก็รู้รู้ฐานะรู้ฐ า, านะรู้สกุลรู้อ่าอายุขัยบุคคลนี้เป็นอย่างไรก็เรียกว่ามีธรรมมุติตะกยานธรรมมุติตะกยานอย่างรู้อัธยาศัยก่อนรู้คนคนนี้เป็นอย่างไรต่อหน้าเป็นอย่างไรรับหลังเป็นอย่างไรเห็น เขาเรียกว่าอาป่ากเห็นิไก่เห็นไส้เห็นพุงไก่เห็นตินงูงูเห็นนมไก่เนี่ยระดัความรู้เมื่อรู้เราก็รู้เขาเหมือนกันเราผ่านอะไรมามันก็เห็นอย่างนั้นเป็นสุขอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นบุญอย่างไรเป็นบาปอย่างไรเป็นกุศลอย่างไรความฉลาดหรือว่าอกุศลอย่างไรความไม่ฉลาดเนี่ยคือมันเริ่มรู้ มันรู้แล้วกใช้ได้อย่างถูกต้องมีสติมีปัญญามันก็จะจัดระเบียบให้เราสติการ ร, กรู้เป็นญาณของปัญญาแต่ว่าเราต้องฝึกต้องหัดสติมีสองชนิดนะ่นงคือสติพฐานสติรักลูกสติหิวข้าวสติที่เห็นว่าตัวเองมีภัยหนีภัยป้องกันภัยสัตว์มันก็มีเหมือนกัน บางคนนี่ตกใจทำอะไรได้มากมายแล้วเกินกระโดดข้ามท้องล่องไกลๆ ก, ก็ได้บางทีมีไพ่หนีเข้าไปอยู่ในกอไผ่ก็ได้เวลานั่งเล่นไพ่กันแล้วก็ตํารวจไล่จับอย่างนี้นะอันนี้เคยเจอนะเคยเห็นอยู่ตามบ้านศพเวลามีคนตายในวงไฮโลเล่นไพ่กินเหล้าเมายาการบานัน มันถูกต้องตามกฎหมายทรงสวยกันอันนี้มีจริงๆพอตำรวจบางทีอีกฝ่ายหนึ่งมาของปราบมาหน่วยเหนือมาตำรวจต้องถิ่นก็ไม่ทันตั้งรับวงการปรันก็แตกคือหนีกันไปกระโดดทีกระโดดข้ามตึกก็มีร่วงลงมาตายก็มีเป็นอย่างนั้นทำอะไรได้แปลก เวลาตกใจตื่นขึ้นมาบางคนถึงขั้นแบกบของหนักอย่างเงี้ยอันนั้นเนะ่ะมันหลงนะมันหลงแล้วทําไปมากมายแล้วเกินเป็นมิจฉาทิฏฐิมีสมาธิกับการต่อสู้มีสมาธิอาการทําชั่วนอันนี้มันมีอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิพอทําแล้วมันมีความสุข มีความสุขอยู่ไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นนี่มันเราก็ต้องรู้จักนะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาสัมมาคือสัมไม่ได้ไปสติ ร, รู้ความรู้สึกตัวนี้มันมาแล้วสามารถเรียกขวัญนะสามารถเรียกจิตใจของเราเรียกสติให้ตื่นขึ้นมาได้ปลุกเพราะนั้นวิธีสร้างกรรมฐานแบบแนวเคลื่นอนไหวเป็นการปลุกกระตุ้น ให้ธารุรู้มันรู้ถูกอย่างนี้แล้วที่กันก็คือต้องเกิดปัญญาเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกตัวว่าเรามีความรู้ในหน้าที่การงานในวิชาการต่างๆที่เรารู้มันจะมีงานก็คือติดรู้เกิดขึ้นใหมารู้แล้วติดรู้ไปไหนก็วงแต่งนระถ้ารู้ติดรู้นะ มันจะรู้แล้วก็แสดงออกมากๆเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนขาดสติอย่างมากๆขาดปัญญาอย่างมากๆหลงเข้าไปในอารมณ์ไม่รู้กาลเทศะแต่ว่าอารมณ์มันอร่อยเวลาคิดพูดทำแล้วมันสนุกสนานมันรู้สึกมีพลังอันนี้ก็รู้แล้วก็ติดรู้ก็ต้องวางรู้ให้เป็น ของดีมีปทั้งหลายถ้าไม่ได้ใช้ขนาดนี้เราต้องวางให้เป็นตอนนี้ไม่ต้องถือมีดแต่เดี๋ยวทําครัวต้องใช้มีดนนะแล้วก็มีดก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษก็คือติดใจคนขาดสติเอาไปใช้จี้วิ่งราวหรือว่าแทงฆ่าวันกันแต่ว่าคนที่มีสติก็ย่อใช้ธรรมโยชน์นใช้เหลาไม่ไผ่เหลาตอกหรือว่าหาาั่นผักเงี้ย ส, สิ่งเดียวกันคนมีปัญญาใช้ใช้ถูกคนมีสติใช้ใช้ถูกคนไม่มีปัญญาใช้ใช้ไม่ถูกคนขาดสติใช้ใช้ไม่ถูกใช้ตามความหลงนะีน่จะเป็นโอกาสของเราที่เราจะต้องเริ่มต้นใช้ชีวิตสำหรับคนที่มีสติมีปัญญามีทรัพย์มีอริยทรัพย์เริ่มต้นใช้ให้ถูกต้องให้พอเพียงให้เป็นของความพอดี ถ้ามีก็ต้องใช้ถ้าไม่มีก็ต้องหามาว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้จักรู้เท่ารู้ทันเป็นสติเป็นปัญญามีสติก็มีปัญญามาด้วยกันแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสติกันนี่แหละรู้ว่านั่งรู้ว่ายืนรู้ว่าเดินรู้ว่านอนรู้ความรู้สึกตัวการฝึกการหักจะทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น เขามาชัดก็คือมันไม่มีตัวกูไม่มีตัวเรามันมีแต่ระบบของความคิดการปรุงการแต่งอารมณ์ที่เป็นไปนตามกฎของเหตุปัจจัยต่างๆกฎของธรรมชาติต่างๆมันจึงไม่ใช่เราเราเก่งเราไม่เก่งหรือว่ามีตัวเราอยู่ในทุกคนทุกแห่งอันนี้มันจะมีเราอยู่ในความแก่มีเราอยู่ในความเจ็บและมีเราอยู่ในความตาย ตรงนั้นเรามันขาดทุนปีใหม่ชีวิตใหม่มันกจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างกําไรให้กับชีวิตของเราโดยการหายใจเข้าตั้งแต่ตืต่นมายัางมีความสุขในขณะที่ทุกคนเวลานี้เป็นวลาตื่นก็ยังนอนกันอยู่ตรงนี้แสดงว่าอาจจะใช้ชีวิตไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เวลานี้พลังงานลงมาแล้วพลังงานชีวิตต้องตื่นมาหายใจ ใครตื่นมาวันตีสามก็เท่ากับยามสามมีโอกาสบรรลุธรรมถ้าเราเชื่อว่าเจ้ามีจริงยามสามคือทีสามหกมงเช้าเป็นเวลาตื่นตื่นทุกตื่นมาจากที่นอนตื่นขึ้นมาแล้วมันเป็นวันใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตให้ผาสุขให้ทำประโยชน์คุณค่าของชีวิตเราั้งกายวาจาใจให้เกิดค่าเกิดคุณขึ้นมา การรู้จักหยิบความคิดมาใช้เกิดคุณค่าแต่ถ้าความคิดมันใช้เรามันก็ฆ่าคุณเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆก็เรียกว่าหลังของความทุกข์ตัวพืฐานการคิดต่างๆถกลือกขึ้นมาแยกแยะเห็นว่าความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอิจฉาริษยาความเบื่อความเซ็งต่างๆ มันอยู่ในระบบของความคิดทั้งหมดเลยภาษาของมนุษย์ที่มันมีอยู่ในหัวสมองมันสั่งงานสั่งการเราทั้งวันถูกความคิดใช้แต่ตอนนี้เราปฏิบัติธรรมเราเห็นความคิดแล้วก็ใช้ความคิดในนี้มันก็จึงเป็นเรื่องของใครของเราที่ยังเห็นความคิดจากยาไปหาละเอียดมันเกิดขึ้นในตัวชีวิตของเรานี่เองเราก็จึงไม่ต้องโทษว่าใครทําให้เราทุกข์ในโลกนี้ ไม่มีใครทําให้เราทุกข์หรอกนอกจากตัวเองทําตัวเองวิธีคิดคิดไม่เป็นมันก็เห็นเป็นทุกข์แต่ถ้าคิดเป็นไม่เป็นทุกข์หรือว่ารู้สึกตัวเป็นไม่เป็นทุกข์แต่รู้สึกตัวไม่เป็นก็เป็นทุกข์กลายเป็นการเก็ตการหลับนให้ปฏิบัตินี่ก็แยงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความยากลําบากนเป็นเรื่องของ มักผลนิพพานที่มันมืดเหลือเกินการเดินทางหนทางสู่การพ้นทุกข์จริงๆแล้วมันง่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายนะแต่เรารู้สึกตัวเป็นง่ายมากกว่าการพลิกมือเนี่ยธรรมดาธรรมดาการเดินจงกลมเนี่ยธรรมดาๆการนั่งหันซ้ายแลก ว, ว่าอภิบตาหายใจเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมชาติเป็นเรื่องของมัชจิมาปฏิปทา ทุกครั้งที่รู้สึกตัวเรากไม่ได้หลงติดกันไปในกามในระบบความคิดคิดแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์หรือวเป็นอัปต า, ากลยุทธายุกนะเห็นผิดเป็นชอบต่างๆมันเป็นเรื่องของรู้รู้ถูกการเคลื่อนไหวก็มีอยู่อนเคงนี้โกหกหรือมันไม่หลอกเราแต่จิตนี่มายาสาไถา่ร้อยเรื่องเคลืยอนมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาในเพราะความคิด เราก็จึงได้หลักของกรรมาฐานถ้าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกหลักของกรรมาฐานอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเด็กนอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่รู้อะไรมาบ้างไม่เกี่ยวกเมื่อแก่เท่าจะตายเน่าเข้าลงแล้วอายุไม่เกี่ยงเลยเกี่ยงก็ว่าความรู้สึกตัวแต่ละขนาเนี้เหมือนกระลมหายใจเราหายใจเป็นหรือเปล่า หายใจเป็นไหมเรารู้สึกตัวกเหมือนกันเรารู้สึกตัวเป็นไหมปกติเราเคลื่อนไหวฟรีๆนั่งแล้วก็นั่งฟรีๆเดินแล้วก็เดินฟรีๆนอนแล้วก็นอนฟรีๆแต่ตอนนี้เราฝึกสติเดินแล้วก็รู้สึกตัวได้เดินทางไกลด้วยทางรูปธรรมนามาทำจิตใจก็เดินทางสู่การพ้นทุกข์ด้วยเรารับประทานอาหาร เรามีสติหรือไม่เดี๋ยวเช้านี้ก็ลองสังเกตดูการเคลื่อนการไหวการเคี้ยวการกลืน่นเรามีสติหรือเปล่าถ้ามีสติเราได้อาหารกายด้วยอาหารกายกินอ้วนใหญ่เป็นไก่หมูนะก็ได้ด้วยแล้วก็ได้อาหารใจด้วยมนโนสัญญานาอาหารภาษาอาหารวิญญาณอาหารมันได้อาหารใจด้วยขณะที่เราทานเราก็ไม่ได้คิดอะไรไปอย่างเงี้ย อาบน้ำอาบท่าหรือว่าการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นยันหลับนะมีความรู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าการฝึกในรูปแบบเนีมันเห็นชัดๆตรงๆลงไปเลยตัวชีวิตของเรามันแยกยังไง ร, รูปทำน้ำทำกันนะะมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงยังไงระหว่างรูปทำน้ำทำในตัวเราโลกคือร่างกายของเราก็โลกคือแผ่นดินโลกคืออากาศธาตุพวกนี้มันจะโยงหากันยังไงจะใ ช, ช้อย่างไงอย่างผาสุก ในโลกใบนี้เป็นบรรยากาศของความเมตตาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจงตั้งใช้เป็นวาจาแล้วก็แสดงออกทางร่างกายหน้าที่การงานต่างๆความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีความเอื้ออารท์ความกระตันอยู่รู้คนืนอย่เช่นปีใหม่ก็ต้องสร้างสเสน่ห์แล้วสร้างยังไงเสน่ห์ แต่มีปัญญาเราจะรู้ว่าใครคือคนที่เราควรไปหาใครคือคนที่เราควรเอาของขวัญไปให้ใครคือคนคนนั้นจริงๆก็คือทุกคนนั่นแหละของขวัญปีใหม่ก็คือทําตัวเองอยญ่ให้ทุกอยากให้ประเทศชาติดีไม่ใช่ต้องสวดมนต์นะบอกก่อนอยากให้ประเทศชาติดีต้องเริ่มต้นที่เราที่กายวาจาใจของเรา อย่าเป็ผู้ชั่วเป็นคนชั่วเห็นเขาทะเลาะกันก็ายามให้เขาดีกันอย่าถามว่าอยู่สีอะไรถ้าจะถามก็ถามว่าทานข้าวหรื อ, อยังสบายดีไหมรูปเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้างก็กลัวเป็นไงบ้างคนที่เอารักเราถามก็ชื่นใจนี่ยงนี้อันนี้มันทะเลาะกันไม่ได้หรอกเป็นไงบ้าง ถ้าทางมันคยสบายเอายาไหมเอาไอ้นั่นไอ้นี่ไหมมาเดี๋ยวหามาให้นะเนี่ยอันนี้มันคือความเอือ้อถอนความมีน้ําจิตน้ําใจโอบอ้อมอารีเอือ้อเฟื้อต่อกั น, นคนที่มีสติก็จะไปไหนนั้น ไ, น, น, น, นไม่ต้องร้องขอมันเป็นบุญบุญนี้ไม่ต้องร้องขอใครก็ตามที่ทำบุญเรียรัยโดยการเอาซองไปไล่แจกติดกรรมทุกคน ติดกรรมทุกคนใช้กรรมไปเถอะแต่ใครก็ตามถ้าคิดว่าเออมันทําดีเอาซองวางไว้จะใส่ท้าไหลก็ใส่จะให้เท่าไหลก็ให้ไออย่างนั้นนะบุญร้อยเปอร์เซ็นมันเกิดจากการดําริจากข้างในของเรามันเกิดจากพลังภายในของเราที่รู้จักคิดรู้จักทำํำมันมีปัญญาฉลาดไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น อนี้เราเห็นเลยพฤติกรรมพระชาวพดอะเรีอะไรมีการพูดมีการบอกกันอันนั้นแหละอั น, นตรายถ้าเขาไม่เต็มใจนยไม่อยากให้อันนี้ติดกรรมรับกรรมอย่างเดียวเลยเพราะงั้นการทาบุญนี่ถ้าใครถูกร้องขอให้ทำร้องขอทำบุญนะใส่ซองนะถ้าเราไม่ฉลาดไม่ปัญญาเนะ่ แม่ไม่อยากทำแลยต้องให้อันนี้เกิดมาลำบากเกิดมาลำบากมากเพราะว่าบุญมันยังไม่เคยทำมาเลยแล้วมาเริ่มต้นทำบุญพอเริ่มต้นทาบุญเนี่ยการให้ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความสบายใจให้แล้วจิตใจมีความสุขท้ายสุดสบายจะเกิดตกระกำรรมลำบากทุกยากขนาดไหนท้ายสุดมีคนชุบเลี้ยงแน่นอน ถ้าใครก็ตามให้ไปแล้วเสียดายฉันให้นะแมู่กนี่ไม่น่าให้มันะก็ดีสามีภรรยาให้กันอย่างนั้นนะแมไม่น่าให้มันเลยเสียดายอันนี้เกิดมาสบายแตท้ายสุดลําบากไม่ได้มีความสะดวกไม่ได้มีความสบายในชีวิตนตกระคำลําบากเพราะฉะนั้นแรงปันดานใจที่เราจะคิดจะพูดจะทําอั้นต้องมีปัญญา การสร้างสติเนี่ยรู้ความรู้สึกตัวมันจะพาไปสู่จุดนั้นเลยจะคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นมองเห็นทะลุทะลวงไปเลยแต่ฉานตรงนี้แหละไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นไม่อยากรู้ก็ต้องรู้เพราะว่ามันถูกทางมันไปทางเดียวทิศเดียวกันเลยกรรมจําแนกสัตว์กรรมฐานก็ต้องพาสู่ทางพ้นทุกข์ จำดีไปหาดีกรำเชั่อไปหาเชื่อวันนั้นมาจําแยกมันจะแยกมันจําแนกกลุ่มก้อนให้เราเราก็เห็นอ๋อหมากตัวนี้กรรมตัวนี้ถูกดูดไปตรงนี้อ๋อหมากตัวนี้บุคคลคนนี้โดนกรรมกรรมนี้วิธีการอย่างนี้กา ร, การางานนี้ดูดไปหาตรงนี้มันจะเห็นแบบนั้นเพราะเราเห็นตัวเราเองการใช้กายฟ้างจอกยาวานาคืบการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะ มันจะมีพี่รุดบอกอยู่มันจะมีรหัสของธรรมชาติกลไกของจิตที่มัน coil เป็นตัวชีวิตไปด้วยกันจิตกับนวยังไม่ตายกายก็ยังนั่งอยู่จิตก็อยู่กับกายอันนี้ก็เป็นพระยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตพร้อมที่จะสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ากายนั่งอยู่นี่ใจก็ไปทางหนึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็น บุคคลที่เตรียมล้มละลายได้เลยไม่ต้องมาหาหมอดูฉันเป็นยังไงบ้างอนาคตไม่ต้องไปหาเลยนะตั้งแล้วกายอยู่นี่จะใจไปทางลางลายลางสังหรณ์เกิดมาเรียบร้อยแล้วะอันตรายไม่ใช่ชีวิตของเราแล้วนตัวกขาเอาไปตัวหลงเอาไปพยามาณเอาไปปีศาจที่มันคอยบันตอนชีวิตเราให้ดึงลงต่ํา ไหลสู่ความเสื่อมนะเราก็จะเห็นได้ยชย์เลยเวลานั่งยกมือติดสิงก็จิตไหลไปกแกับคิดอีกแล้วอนะย่งางเมื่อคืนเป็นยังไงในนี้ใครได้โต้ลุ่มบ้างมีไหมโต้ลุ่มขนาดนี้ยังไม่ได้นอนเลยมีไหมยกมือยกมือยกมือมีอยู่คนเดียวไหมสองคนเหลื อ, อของใครนอนมาในเพิ่งตื่นมาทําวัด่ะ ย, ยกมือด้ มือลงของใครสวดมน์แล้วก็เพิ่งมาทําบัตรเนี่ยด้วยปฏิบัติต่อยกมือได้มีเ อ, อ่อใครสวดมน์บางคนก็กสวดมน์แล้วก็มาปฏิบัติต่อของใครปฏิบัติแล้วก็สวดมน์แล้วก็ไปนอนแล้วเพิ่งมายกมืออ่ะ ม, มีมีทุกอย่างเลยอ่ใครไม่ได้ยกมือยกมือสิกลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มตื่นตาใสแน่เลยไม่มีอะไรมากกว่านะ จะดีช่วกับตัวกูอย่างงี้ยนะอ่ะการ น, นี้ก็เป็นการพูดคุยนแบ่งปันกันแล้วโดยพ่าบทสรุปก็คือเรารู้ไหมว่าเราไม่รู้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้แต่ว่าการมาวัดแล้วก็เริ่มรู้ว่าเราไม่รู้การได้ยินได้ฟังมีการเทียบเคียงอยู่ภาษามนุษย์น้อมเข้ามาเสถตนบางทีเราก็รู้ว่าเรารู้น หลังจากที่เรารู้แล้วเรารู้มันเกิดความม่นบายถ้าเราไปเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลก็คือโยกความคิดระบบของการปรุงแต่งอันนี้ก็ทำให้เราเมีปัญหาขึ้นไหมถูกผิดเหตุผลต่างๆกาลเทศะรู้ไม่ถูกนั้นการมีสติทำให้เราสํารวมทางกายว่าจใจแล้วเราจะนิ่งๆเฉยๆมีเบรขาทาเกิดขึ้นห อุเบกขาเป็นตั้งปรอมเป็นตั้งแพระจิตเฉยเน่ยความเป็นปกติเป็นตั้งปรอมเป็นตั้งพระมันเป็นยังไงถ้ามันมีความฉลาดทางด้านความรู้ความสามารถศักยภาพเมืจะใช้ถูกต้องตรงตามกาลเทศะก็คือเห็นเขาทุกข์หรือเห็นการงานบกพร่องในฐานะที่เราเป็นบุคลากรเป็นลูกจ้าง หรือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ใ น, นกลไกของหน่วยงานเสร็จแล้วเราก็ไปทำงานก็เห็นว่าเรามีศักยภาพมีความสามารถจะไปแก้จุดอ่อนแก้ไขปัญหาในที่นั้นๆแล้วก็ให้เงินเดือนเราตามผลงานที่มันดูแล้เห็นต่อหน้าต่อตาสัมผัสได้เมื่อเราทำงาน เราก็ต้องใช้ความคิดใช้ความสามารถอันนี้ก็คือตัวกรุณานั่นเองเมื่อเห็นว่ามันผิดแล้วก็เข้าไปแก้ลงมือกระทําลงไปแล้กวก็าการุณาเห็นคนตกน้ำํำสงสารจังแล้วก็กําลังพร้อมที่จะช่วยเหลือลงไปช่วยเองไม่ได้ไหายน้ําไม่เป็นก็โยนเชือกไปหรือว่าไปบอกคนอื่นให้ลงมาช่วยแทนยเี้ ล้วก็มีความการุณาลงมือกระทํลงไปจริงๆเสร็จแล้วเขาพ้นทุกขนะ์ก็มีความปลอดภัยเขาหายหิวพวนี้รวงงานการมีความสำเร็จแล้วก็อืมพอยินดีสาธุอนุโมทนาแต่ถ้าคนไม่มีสตินิจฉะอิจฉาริษยาเห็นเขาดีไม่ได้อิจฉาริษยา เห็นเขาสวยกว่าก็ไม่ได้เห็นก็มีความสุขกว่าก็ไม่ได้เห็นซื้อรถคันใหม่บ้านใหม่โดนหวยถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้อิจฉาเห็นการงานเขาก้าวหน้าอิจฉาอันนี้แล้วหนาะไม่มีสติไม่มีปัญญาต่อมาก็คือช่วยไม่ได้จริงๆเมตตาก็าแล้วกรุณาก็าแล้วก็ยังช่วยไม่ได้จริงๆหมดความสามารถก็ต้องวางเฉย มอรักษาคนไข้พยาบาลรักษาคนไข้ช่วยเต็มที่แล้วต้องตายต่อหน้าต่อ ต, อตาก็ต้องปล่อยก็ต้องวางใช้ตัวเบียขาตัวนั้นจริงๆสุดความสามารถแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นแพระสมัยถึงว่ามีสติแล้วแลวอยู่สติที่เรา ส, สั้นๆจนกทําเป็นมหาสติเหมือนมหาเศรษฐีเก็บเงินเก็บทองเจนทั่งไม่ต้องทํางานแต่มันมีทรัพย์ใช้ยตลอดเวลา หมายถึงว่ามีสติแล้วแ่มีสติแล้วแยู่เห็นธรรมชาติต่างๆที่มันแสดงออกทางกายวนาจิตธรรมเป็นอาการของต่างๆของกายของจิตมันเป็นอาการที่แสดงปรากฏออกมาต่อหน้าเป็นปัจจุบันเราก็วางเฉยต่อสภาวะธรรมเห็นมันคิดก็รู้ว่าคิดเฉยๆเห็นทางตาก็เห็นรูปธรรมเฉยๆ รูปมากระทบไม่ได้ามาเป็นความพอใจไม่พอใจอย่างนี้เลได้ยินทางเสียงก็ได้ยินเฉยๆแล้วก็รู้ว่าคืออะไรถ้าจะเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปอเมื่อจะเป็นเรื่องเราจะต้องพัฒนาเรียกว่าภาวนากันเดี ว, ว่าวันนี้นมาวัดป่าสุกโตวัดป่าสุกโตก็มีพื้นที่ไว้ห้าร้อยกับหกสิบสองไร่ มันเป็นตัวเลขที่เราสามารถที่ใช้อย่างเรียกว่ามีความรู้เนื้อรู้ตัวในทุกๆกิจกรรมจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนเราก็ต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาเวลาเท่าที่จะรู้ได้และเป็นหน้าการรู้สึกตัวที่เป็นสติปฐานสถูกต้องตร ง, งตามคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาวุฑฒเจ้าเป็นตัววิปัสสนา มีหนึ่งเดียวก็คืออยู่ในความรู้สึกตัวนั่นเองจะรู้สึกตัวในการหายใจเข้าออกเรียก ว, ว่าอานาป า, าสติเดี๋ยวซ้ายเหลียวแลวัขวานั่งเดินยืนนอนพวกนี้เป็นเอเย่นบดใจสี่นั่งก็รู้ว่านั่งจะไม่มีตัวเราในโลกนี้และโลกหน้าถ้ามันไม่รู้ตัวว่านั่งมันก็จะมีโลกเกิดขึ้นมาทันทีคือโลกการปูกแตนลงความคิดในหัวเรา มีเหตุผลต่างๆเกิดขึ้นมาเอาถูกเอาผิดอันนี้แหละมันก็นจะเป็นพบเป็นชแชดแต่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดรวยะเวลาวันหนึ่งมีหลายอสงไข์นะวันนึงมีหลายแสนกับแสนกันเนื่องจากความคิดของเราที่คิดให้ทุกข์นี่ทางวิทยาศาสตร์จับมาได้นะวิทยาศาสตร์ทางจิตมีเครื่องมือจับเราคิดไม่น้อยกว่าวันละหกหมื่นเรื่อง สมองเราโตนะคิดเก่งแล้วส่วนใหญ่คิดไม่ได้ตั้งใจจะพาไปสู่ความทุกข์เป็นภัยวัตตาสงสารเป็นภัยไร้ในตัวเราก็จึงไม่ต้องกลัวโลกแตกเราไม่ต้องกลัวโลกแตกแต่ความคิดที่เป็นภัยไร้ในตัวนะคลื่นความคิดตัวนี้น่ากลัวที่สุดมนุษยชาติในโลกนี้ประมาณตอนนี้เจ็ดพันล้านคนถ้าไม่รู้สึกตัวนี่อันตราย แต่ละปีแต่ละปีนี่มีคนคิดฆ่าตัวตายเยอะเหลือเกินสถิติเนะี่ยเยอะจริงๆอยังเนี่ยวินาทีนี้ก็มีคนฆ่าตัวตายทุกทุกสี่สิบวินาทีลงมาจะมีคนฆ่าตัวตายแล้วหนึ่งคนผู้หญิงฆ่าตัวตายอันดับสองต่อหนึ่งผู้ชายนีย่ตายอัตราส่วนสองต่อหนึ่งของผู้หญิงฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรง จากรทั่ง อ, องค์การอามโลกประกาศจัดว่าให้มนุษยชาติทั้งโลกเนี่ยตื่นตัวกันวันที่13กันยายนเป็นการรณรงค์เป็นวันที่เราต้องรณรงค์กันเป็นวันป้องกันฆ่าตัวตายโลกมันมากกว่าวัตถิภัยมากกว่าภัยในโลกเนี้ยที่มันมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินาศภัยะอุทกภัยวัตถภัยธรณีวิทยภัตยต่างๆแต่ภัยวัตฏสงสารนะ ที่เกิดจากความคิดของตัวเองคิดฆ่าตัวตายะตัวเนี้ยต้องช่วยกันระมัดระวังภัยร้ายอยู่ในตัวเรานี่เองะปี่หลอกไม่กลัวคนอื่นหลอกไม่กลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองน่ากลัวที่สุดในโลกมันหลอกว่ารู้แล้วเพราะนั้นรู้ว่าหลงบางทีจะดีก ว, ว, นะ ว, นะว่าหลงว่ารู้นะรู้ว่าหลงนะมันดีกว่าหลงว่ารู้ถ้าหลงว่ารู้นี่ก็กลายเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิ แต่ถ้ารู้ว่าหลงนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นและเห็นถูกเห็นว่ารู้สึกตัวเนี่ยกระทบสัมผัสเนี่ยจะเป็นตัวยางที่สุดเป็นความปลอดภัยของนักกรรมฐานตดลองเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก็ถือว่านั่นะละเรากําลังเดินทางสู่การพรนทุแน่นอนก็จึงเป็นเรื่องของสัมยาประเพณตื่นยันหลับ เราก็จะเห็นตัวเองนั่งเดินยือนนอนหรือว่ากระทบสัมผัสการเคลื่อนการไหวหายใจกับริบตาแม้กระทั่งความคิดเล็กๆ ก, ก็ถูกรู้ถูกเห็นรู้เท่ารู้ทันคิดร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งคิด10บครั้งรู้สิบครั้งคิดหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติที่จะมีความสามารถหรือว่าศักยภาพของสติสมาธิปัญญาที่ทํางานตามกลไกของธรรมชาตินะ มันเป็นความคล่องตัวทีเดียวเพราะนั้นทายสุดนี้เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ก็ขออำนวยพรนะขออำนวยพรให้พวกเราทุกคนก็จงมีสติมีความรู้เนื้อรูร้ตัวให้มันเป็นเรื่องของปีใหม่ชีวิตใหม่มาแล้วขอให้ผงแผ้วสดใสก็มีสติ สมาธิปัญญาเป็นหลักมันไว้เดินไปตามรอยพระพุทธองค์จะเกิดมาเป็นคนจนรวยมันก็มอดมั่วแก่ตายเป็นผีทั้งหมดนั่นแหละก็ลองตองลองตรึกตูเตีชีวิตของเรามีสิ่งใดน่าครองวันวานปีเก่าผ่านผ่านพ้นไป จ, จะช้าอยู่ใหญ่เพื่อนพร้องกลัลยาณมิตรก็จงทำดีละชั่วทั้งผองชีวิตก็จะ เรืองรองแล้วก็เบิกบานสู่มรรคผลนิพพานก็ขอให้ได้พบเจอในปวันชาตินี้ด้วยตัวหนักกันทุกต้นทุกันเติน